วันนี้นะมหาเถรสมาคมได้ขอให้วัดทุกวัดนะทั้งประเทศสแสดงธรรมนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทเทพยพระวรังคูลนะในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุนะหกาพรรษาในวันที่28ดกรกฏานี้นะ แล้วก็หัวข้อหรือว่ากันที่จะแสดงทั้งประเทศนะในวันนี้นะทางมาทรสมาคมก็กำหนดนะว่าให้แสดงพัะธม ร, รมเทศนาเรื่องสุดจริตธรรมกถานะก็คือธรรมกถาว่าด้วยความสุดจริตนะเรื่องสุดจริตเนี่ยก็เป็น ธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเป็นภา ษ, ษิตไว้ว่าเนี่ยบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุดจริตควาว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงคำสั่งสอนนะแต่หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราประกอบกิจการงาน คำ ว, ว่าทำเนี่ยมีความหมายหลายอย่างบางทีก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะอย่างเช่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสาเร็จได้ด้วยใจเนี่ยคำ ว, ว่าทมในที่นี้ก็หมายถึงทุกอย่างนะหรืออาจจะหมายถึงเฉพาะจอะจงนะเช่นไม่ว่าเราทาอะไรเนี่ยก็ให้มันเป็น ธรรมะให้มันเป็นความสุจริตอย่างที่พระองค์ตัดเป็นภาษิตว่าเนี่ยบุคคลควรประพฤติทำให้สุจริตเนี่ ย, ยก็ถ้าจอดจงก็หมายถึงการทํางานทําการการทําหน้าที่ต่างๆไม่ว่าทําอะไรเนี่ยนะก็ให้มันเป็นไปอย่างสุจริตแต่ที่จริงเนี่ย ถ้าเราจะแปลธรรมะในที่นี่ว่าข้อควรประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะข้อควรประพฤติปฏิบัติก็เช่นศีล น, นะหรือว่าทานนะหรือว่าภาวนาพวกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเมื่อเราทำแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปนะเพราะว่าหลายคนเนี่ย ก็ปฏิบัติทมเช่นให้ทานหรือรักษาศีลเนี่ยก็เพื่อสนองกิเลส ก, ก็มนะีเพื่อความมักใหญ่ไฝ่สูงก็มีเพื่อสร้างภาพก็มีนะหรือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความดีงามอันนี้ก็เรียกว่าประพฤติทธรรมแบบไม่สุจริตนะไมว่าจะเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลก็ตาม เช่นรักษาศีลเพื่ออวดคนอื่นหรือให้ทานนะเพื่อสร้างภาพอันนี้ก็เรียกว่าไม่สุจริตนะคือว่าไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทานนะมันก็มีคำพูดว่าเนี่ยนะทำบุญเอาหน้านะภาวนาตอแหละนะอันนี้เป็นสำนวนนะซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยดีล้นะแต่สมัยที่อาตมาเป็นเด็กเนี่ยก็เคยได้ยินนะเป็นคำเตือนเป็นคา วิจารณนะ์การให้ทานหรือการภาวนาว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างสุจริตนะแต่ครั้นี้เนี่ยนะเราจะมาพูดถึงความหมายนะในความหมายแรกก่อนนะว่าทำเนี่ยคือว่าการทําการงานต่างๆนะการทํางานต่างๆเนี่ยก็ควรทําให้เป็นไปอย่างสุจริต ว่าสุดจริตนี่หมายความว่าอย่างไรนะก็หมายถึงว่าความประพฤติ ช, ชอบหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องนะถูกต้องตามธรรมะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะการทำอะไรที่มีการหลบเลี่ยงกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่าไม่สุดจริตได้เหมือนกันนะการที่คณะสงฆ์เนี่ยให้มาใหวัดทั้งทั่วประเทศเนี่ย สแสดงทาเรื่องสุดจริต ธ, ธรรมกถาเนี่ยในด้านหนึ่งก็เพราะว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะผู้คนทุจริตกันมากนะคำว่าทุจริตเนี่ยมันตรงข้ามกับสุดจริตทุจริตก็คือนะความประพฤติไม่ชอบซึ่งส่วนใหญ่นะที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการาคดโกงนะหรือคอร์รัปชัน ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงมากนะเป็นที่รู้กันนะทั้งในหมู่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติคอร์รัปชันก็หมายถึงการเบียดบังผลประโยชน์นะของส่วนรวมซึ่งรวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องการใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ถูกต้องเนี่ย มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการคอร์รัปชันเสมอไปนะไม่ได้แปลว่าจะต้องมีการเบียดบังผลประโยชน์ของหลวงหรือว่าเรียกสินบนเสมอไปนะอาจจะหมายถึงการกั่นแกล้งก็ได้ใช้อำนาจ ห, หน้าที่ในการกั่นแกล้งเช่นไม่ชอบหน้าคนนี้นะก็กั่นแกล้งนะบางทีก็ยัดยาให้นะ ล้วก็จะได้เป็นข้ออ้างในการจับนะบางทีก็สร้างหลักฐานเท็จนะนะเพื่อจะได้จับกลุ่มเขานะเอาเข้าคุกเข้าตารางนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่นะอย่างไม่สุจริตก็เป็นการทุจริตในหน้าที่เหมือนกันนะการกลั่นแกล้งคนอื่นแต่ส่วนยาแล้วการกลั่นแกล้งเนี่ยนะ กับการคอร์รัปชันหรือการเบียดบังประโยชน์เนี่ยมันก็ไปด้วยกันนะเช่นแกล้งจับเขานะเพื่อจะได้เรียกเอาเงินนะยัดยาเนี่ยยัดยาให้เขานะบางทีแค่เม็ดเดียวแหละแค่นี้ก็มากพอที่จะตำรวจจะจับกลุ่มได้เมื่อ 2-3 สาอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ไปไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำนักผู้เขียว ไปกับคณะผู้พิพากษาก็มีการเชิญนักโทษนะนักโทษเด็กขาดนะั่คือนักโทษที่เ้าเรียกว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วให้มาสนทนากันเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นแหละ21 22 23ทั้งหญิงและชายก็หลายคนก็พูดว่าเนี่ยตอนที่ตัวเองถูกจับเนี่ยนะตำรวจเนี่ยก็หาหลักฐานไม่ได้ ก็เลยยัดเลยยัดยาให้ไปสองเม็ดนะถ้านั้นไม่พอนะก็จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าอยากอยากาพ้นคดีก็ต้องหาเงินมาห้า0มืนบ้างแสนหนึ่งมัง่งนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตนะคือหนึ่งกันแกล้งและที่กันแกล้งก็เพราะหวังผลประโยชน์นะ บางทีนะบางคนเนี่ยนะถูกจับเพียงเพราะว่าผัวเนี่ยนะผัวเสพยาหรือผัวอาจจะ้ายาด้วยส่วนใหญ่เสพยาค้ายานี่มันมันก็คนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเสพยามากๆเนี่ยไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ต้องหารายไดจากการค้ายานะซื้อมา10เม็ดนะขายไป8เม็ดก็คุ้มลวนะ ก็เท่าทุนละอีก2เม็ดก็เอาไว้เสพเองนะถ้าอยากเสพก็ต้องไปขายขายยาขาย8เม็ดก็ได้2เม็ดตำรวจก็อยากจะจับผัวนะแต่ไม่มีหลักฐานนะก็จับเมียแทนนะยัดยาให้เมียเนี่ยวันแบบนี้ก็มีนะอันนี้เราเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็นการกันแกล้งแต่การกันแกล้งนี้ก็เพื่อหวังประโยชน์นะหวังเงินสินบนนะเพื่อให้เขาเป่าคดีนะ อันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะข้าราชการนะที่มีอำนาจหน้าที่ในทางจับกลุ่มนะข้ารารชการทำหน้าที่อื่นก็เหมือนกันทำหน้าที่เซ็นแบกอนุญาตนะเมืองไทยมันมีนมกฎระเบียบเยอะนะจะไปขออนุญาตนะขออนุญาตขอต่อทะเบียนรถนะสมัยก่อนก็ต้องยัดเงินนะหรือว่าจะไปะทำบัตรประชาทำใบขับขี่นะ บางทีก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็ยัดเงินเนะีนะ่ยหรือว่ า, าทำหน้าที่เซ็นนะใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างชาตินะแรงงานต่างด้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มีต้องทต้องมีใบอนุญาตมากมายจากหลายกระทรวงเขาก็บ่นว่าเนี่ยนะกว่าจะได้ใบอนุญาตนี่ก็ต้องยัดเงินนะ อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องความไม่สุจริตนะที่เกิดขึ้นในวงราชการแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันความไม่สุจริตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนอกวงราชการด้วยนะบริษัทเอกชนนะมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้อำนาจอยู่กับใครเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําการทุจริตได้พวกรายการโรงเรียนก็นะ ถ้าเป็นโรงเรียนดังก็สามารถจะทุจริตได้จะรับเด็กนะก็ต้องให้สินบนนะหรือว่ายัดเงินใต้โต๊ะแล้วความทุจริตก็กระจายแม้กระทั่งมาถึงวัดนะเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวนะเรื่องเงินทอนนะนะเป็นการถ้าตามที่เขาลงข่าวเป็นเรื่องจริงก็มันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าอาวาสนะกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนะเป็นการเอื้อประโยชน์กัน หาเงินของหาเงินหางบประมาณมาให้วัด10ล้านวัดก็ไป2ล้านอีก8ล้านนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่สนักพุทธเอาไปนะไปใช้ส่วนตัวหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นความทุจริตนะซึ่งมันมันระบาดไปทั่วนะเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วนะที่จะมามาตอกย้ำเรื่องความสุดจริตน ะ, ะในหมู่คนไทยนะ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าถ้าเรานับถือพุทธจริงๆเนี่ย้การที่จะทุจริตเนี่ยมันทำได้ยากนะเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะค้ำเอาไว้ศีลนี่มันจะํะกากับไม่ให้เราทำการทุจริตเพราะว่าเวลาจะทุจริตได้เนี่ยนะมันก็หมายถึงการคอรัปชันก็เป็นการโกงเป็นการขโมยชนิดหนึ่งนะ แล้วนอกจากการขโมยนะที่เรียกว่าอธินาธาแล้วเนี่ยมันก็ต้องโกหกเพื่อปิดบังความจริงนะมันก็ต้องใช้มุสาวาทแล้วพวกนี้เนี่ยพอมีเงินมากนะก็ไปเที่ยวผู้หญิงนะก็ผิดศีลอีกนะข้อ3กาเมแล้วก็กินเหล้านะสุราเมรยะเนี่ยคื อ, อคนเราเนี่ยนะ ถ้าว่าคนเรามีศีลอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันทุจริตยากนะมีแต่จะกํากับให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตนะที้างพุทธศาสนาเนี่ยท่านกา็ท่านก็พูดว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะละเว้นจากการทุจริตได้เนี่ยมันมีสามปัจจัยนะปัจจัยแรกท่านก็เรียกว่าสัมปตินะวิรัต คือการละเว้นนะการละเว้นการไม่ทำทุจริตเมื่อประสบเหตุเฉพาะหน้านะเช่นมีคนลืมนะเงินเอาไว้หมื่นหนึ่งหรือแสนหนึง่งหรื อ, 100, รอ 1, ล้านหนึง่งนะบนโต๊ะหรือว่าในรถแท็กซี่นะคนขับรถเนี่ยนะเห็นเงินหรือว่าคนในสนานักงานเห็นเงินนะ หรืออาจจะเป็นทองก็ได้อาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าไม่ขโมยนะสบโอกาสที่จะคอร์รัปชันนะเงินเป็นหมื่นเงินเป็นแสนแต่ไม่ทำนะไปซื้อของนะให้กับบริษัทนะหรือว่าไปซื้อของให้กับวัดนะร้านค้าเขา ให้ค่าคอมมิชชั่นนะแสนหนึ่งน ะ, ะเขาให้ถ้าซื้อร้านเขาเขาให้คอมมิชชั่นกับเจ้าหน้าที่นะหนึ่งหมื่เข้ามายื่นผลประโยชน์ให้ก็ไม่รับเพราะว่ามีหิริโอตปะนะหิริอตปะหิริก็คือความอายชั่วอตปะคือกลัวบาสนะอายชั่วกลัวบาศ ฮีรีเนียมันหมายความกับหมายความว่าเราเลึกถึงชื่อเสียงวงตระกูลหรือว่าภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีความเคารพตัวเองนะแม้โอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ทำเพราะเคารพตัวเองนะหรือว่าพ่อรู้ว่าเรามนะีเรามีชื่อเสียงเรามีวงตระกูลนะพ่อแม่สั่งสอนมา ความละอายละอายชั่วก็เลยไม่ทำนะหรือกลัวบาสนะกลัวว่าทําไปแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมานะกลัวบาสนี่นะท่านก็บอกว่ามี4อย่างนะนะอันแรกเนี่ยคือว่าท่านเรียกว่าอัตตานุนะอัตตานุวาท ภ, ภัยคือ กลัวที่จะตําหนิตัวเองนะคือทําไปแล้วเนี่ยกลัวจะมีเสียงบน่นเสียงตําหนิของตัวเองคือความรู้สึกผิดนะนะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ามันตําหนิตัวเองอยู่ข้างในนะก็ไม่ทําหรือว่าปารานุวาท ภ, ภัยนะก็คือว่ากลัวคนอื่นเขาตำหนินะกลัวเขาจับได้แล้วเขาจะประจานทางเฟซบุ o กนะก็ไม่ทํานะ หรือว่ากลัวสิ่งที่เรียกว่าทันทภัยก็คือภัยที่เกิดจากกฎหมายบ้านเมืองนะเขาจับได้ก็ติดคุกนะถูกปรับนะอันนี้ก็กลัวหรือกลัวทุกขติภัยกลัวว่าจะไปลนโลกนะอันนี้ก็ทำให้นะไม่ทำนะละเว้นนะการทุจริตอีกข้อหนึ่งนะเป็นการละเว้นเหมือนกันนะ วิทย์พอได้สมาทานศีลไว้แล้วอย่างที่บอกไว้สักครู่เนี่ยว่าศีลเนี่ยมันเป็นช่วยกํากับนะมันเหมือนรั้วที่กันเราไว้ไม่ให้ทำอ่าสิ่งที่ผิดกติกาผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือผิดศีลผิดหรือผิดธรรมน ะ, ะคนเราเนี่ยแม้ว่ามันมีความอยากนะเห็นเงินนะอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเห็นโอกาสนะอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ทําเพราะว่ามีศีลค้ำมาไว้นะโดยพ่อข้อนะ อธินนาทานเนี่ยนะเพราะการโกงการครอบฉันเนี่ยมันเป็นการขโมยแบบหนึ่งนะมันเป็นการใช้หน้าที่ในทางที่ไม่ชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่นะสาแป็จริงก็เป็นการขโมยชนิดหนึ่งนะก็ไม่ทํายิ่งถ้ามีศีลข้อ3ข้อ5เนี่ยไม่หลงอใบายามุกไม่ติดเหล้านะแรงจูงใจที่ทําให้อยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อไปกินเหล้าเพื่อไปเที่ยวผู้หญิงมันก็ไม่มี นะเมื่อแรงจูงใจที่อยากจะมีเงินเยอะๆเนี่ยมันไม่มีเนี่ยไอ้กิเลสที่มันจะทำให้คอรัปชันคดโกงเนี่ยมันก็ไม่มีนะเรฉนั้นสมาทานวิรัติเนี่ยัก็เป็นตัวช่วยทำให้ละเว้นการาทุจริตได้ข้อที่3เนี่ยคือสมุดเฉดวิรัตนะก็คือละเว้นการทุจริตเพราะว่าไม่มีกิเลสนะที่จะทำให้เกิด ความอยากจะผิดศีลนะอันนี้ก็หมายถึงสภาวะจิตของพระอารหันต์หรือพระญาบุคคลนะอันนี้สําหรับพวกเราเนี่ยนะสข้อแรกสําคัญนะนะสัมปติวิรัติเนี่ยกับสมาทานวิรัตินะที่จริงหิริโอตปากับศีลเนี่ยมันมาด้วยกันนะคนเราเนี่ยจะรักษาศีลได้มันคงเนี่ยมันต้องมีหิริโอตปานะถ้าไม่มีฮิริรโอตปาไม่มีอ่า ความอายชั่วกลัวบาปเนี่ยนะมันก็ผิดศีลได้ง่ายรักษาศีลอย่างไงก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่มีนะความะละอายชั่วกลัวบาปนะคนสมัยนีย้ไม่ค่อยกลัวบาปกันละนะพราะคิดว่านรกไม่มีจริงและคิดว่าเนี่ยถ้าถูกจับนี่ก็เป่าคดีได้เอาเงินเอาเงินยัดนะเรียกว่าเป่าคดีเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทันตภยัยทุกติภัยก็เลยไม่มี อยู่ในจิตสำนึกนะยิ่งความละอายลายในบาปแล้วเนี่ยหรืออายชั่วเนี่ยมันก็ไม่มีนะมันก็ทำให้การที่จะตั้งมันอยู่ในสีก็ยากนะแต่คนเราถ้าฉลาดนะก็จะรู้ว่าการรักษาสีนี่แหละนะมันเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคูเจ้าตัดว่านะคนฉลาดเนี่ยนะนะ คนเรียกว่าท่านเรียกว่าคนชั่วหรือคนผ่านปัญญา3ามเนี่ยยอมทํากับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูยอมทํากับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูมาคราบว่าไงมาครับว่าทำร้ายตัวเองหาเรือกเดือดร้อนใส่ตัวด้วยการผิดศีลอย่าแล้วก็ตามเนี่ยศีลอย่างเดียวก็ไม่พอหิริอุตปะอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะมันต้องมีทำ ม, มากอย่างอื่นเข้าไปค้าจุนด้วยยกตัวอย่างเช่น คนเราเช่นถ้ารู้จักพอนะถ้ารู้จักพอเนี่ยเช่นมีสันโดษเนี่ยหรือสันตุถีธรรมเนี่ยไอแรงจูงใจที่จะอยากจะขโมยเนี่ยอยากจะคอรัปชันเนี่ยมันก็ไม่มีนะแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยนะปล่อยให้ความโลภเนี่ยคลองใจมีเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะมีอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอ่ายิ่งเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยเารวยเอารวยเอานะไอเราเนี่ยยังมี รถแค่คันเดียวนะคนหนึ่งเขามีสองคันนะราคาเป็นล้านหรือหลายล้านเนี่ยฉะนันที่ตัวเองเนี่ก็พออยู่พอกินเลื้ออยู่สบายแล้วแต่ว่าพอเห็นคนหนึ่งเขามีมากกว่าเราเนี่ยมันก็เกิดโลภะให้ความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้มันก็หายไปอันนี้ถ้าสาวไปลึกๆนะเป็นเพราะคนเราเนี่ยยังเอาความสุขไปผูกติดกับวัตถุนะ คนทุกคนเนี่ยมันก็ต้องการความสุขนะมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแ ต, แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยความสุขของเขาเนี่ยมันไปผูกติดกับวัตถุไปผูกติดกับสิ่งเสษนะซึ่งก็หมายถึงต้องมีเงินนะพอมีเงินเนี่ยมันก็จะทาให้มีวัตถุสิ่งเสพมากวันนั้นอยากจะมีความสุขมันก็ต้องไปหาวัตถุสิ่งเสษมาเยอะๆยิๆ่งเห็นคนอื่นเขามีเงินเยอะๆแต่เรา well, มีเงินน้อยกว่าเขา นะก็รู้สึกด้อยนะีก็ต้องหาทางคอร์รัปชันหาทางคดโกงนะแต่ถ้าคนเราเนี่ยหาความสุขนะพบความสุขที่ใจนะคนเราถ้าพืความสุขที่ใจมีความสุขทางใจเนี่ยมาทดแทนไอ้ความสุขทางวัตถุเนี่ยความพอใจในสิ่งที่มีหรือสันโดษนี่มันเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะไอ้ความคิดอยากจะขโมยมันไม่มีอะ นะเพราะว่าก็มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยนะจะไปหาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปคอร์รัปชันหรือไปทำทุจริตทำไมคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขทางใจนะการที่จะอยู่แบบสมถะอยู่แบบเรียบง่ายนะการที่จะอยู่อย่างซื่อตรงสุจริตในขณะที่เพื่อนๆ เ, เนี่ยเขารวยเอารวยเอาเนี่ยมันทำยากนะ เพราะว่าเราอิจฉาเขาเราอยากอยากจะรวยเหมือนเขานะเขามีมากเราก็อยากจะได้บ้างนะคนที่คิดแบบนี้เพราะไม่มีความสุขภายในนะความสุขเขาเนี่ยมันต้องอาศัยการมีวัตถุนะต้องมีสิ่งเสพนะต้องมีรถต้องมีบ้านนะต้องมีเครื่องประดับประดาถ้าตาใดคนเราเนี่ยยังยังต้องอาศัยความสุขชนิดนี้นะ มันก็ยังมีแรงจูงใจที่อยากจะอยากจะรวยนะและถ้ารวยนะด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ได้มันก็ต้องหาทางรวยด้วยวิธีที่ทุจริตนะเช่นโกงคอรัปชัน้ายานะหรืออย่างเบาๆก็ไปเล่นนะไปเล่นการพ น, นันนะซึ่งแทนที่จะทำให้รวยก็อาจจะจนมากขึ้นไปอีกแรงจูงใจหรือสาเหตุทําให้คนเนี่ยคอรัปชันเนีย่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพบความสุข ทางใจได้เขารู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากวัตถุที่เรียกว่าการมาสุขนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพบความสุขทางใจนะเราจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเลยว่าใครก็จะรวยก็รวยไปนะเราไม่ไม่ได้อิจฉาคนเลยนะใครที่ยังอิจฉาเพื่อนที่รวยกว่าหรือมีชื่อเสียงมากกว่าแสดงว่าเขายังไม่เจอความสุขทางใจนะแต่ถ้าเรารู้จักความสุขทางใจเมื่อไหร่นะ เราจะไม่อิจฉาเขาเลยนะใครจะรวยใครจะมีชื่อเสียงใครจะเด่นดังยังไงนะบางทีเรากับเห็นใจเขาด้ดยซ้ำบอกเรารู้ว่าเขาจะต้องเจอทุกนะจากการที่ต้องรักษานะต้องประคับประคองเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเอาไว้นั้นเอาไว้นะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประพฤติธรรมให้สุจริตเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้ นะความสุขทางใจเนี่ยเบื้องต้นก็เกิดจากความรู้จักพอนะเรียกว่าสันโดษนะประการต่อม า, อาคือว่านะรู้จักนะพบกับความสงบในใจนะความสงบเนี่ยถ้าเรามีแล้วเนี่ยนะมันสุขยิ่งกว่าไอความสนุกสนานหรือรสชาติอร่อยอร่อยจากวัตถุสินะ และความสงบทางใจมันจะมาจากไหนแล้วก็มาจากการภาวนานั่นแหละนะโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักสตินะมีสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจให้สงบได้เพราะอย่างที่พูดมาหลายครั้งว่าคนเราเนี่ยนะถ้าว่าปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำเพราะถูกสิ่งยั่วยุหรือเย้าวยวนนะยั่วยุเนี่ยก็คือยั่วยุให้โกรธเย้ายวนคือเย้ายวนให้ให้โลภให้หลงให้อยาก มันก็ไม่มีความสุขใจนะจิตก็จะกระสรับกระส่ายต้องดิ้นหลนสแสวงหาเงินทองหรือแม้ก็ต้องแก้แค้นนะเพราะว่าถูกยั่วยุให้เกิดโทสะมันก็ต้องตอบโต้ออไปแต่ถ้าเรามีสตินะในอารมณ์ที่เกิดจากการเย้าวยวนหรือยั่วยุเนี่ยมันก็มาคลองใจไม่ได้นะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันมันก็วางมันก็เบาลงมีความโลบเกิดขึ้นอยากจะ อยากจะมีสิ่งเสบนะแต่ว่าพอรู้ทันนะีมันก็สงบลงนะความสงบในใจเนี่ยนอกจากสมาธิแล้วเนี่ยสติก็สำคัญมากเนีงั้นะถ้าเราถ้าเราอ่ามันเจอสติอยู่เสมอเสมอมันทำสมาธิภาวนาอยู่ไปประจำเนี่ยการที่เราจะพ่ความสุขทางใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายพอเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่แคร์ ใครก็จะถือกระเป๋าลุยวิตตองราคาหลายหมื่นนะใครจะขับรถราคาเป็นล้านนะหรือ10ล้านเราก็ไม่ได้อิจฉาเขาด้วยนะใครก็จะร่ำรวยใครก็จะมีชื่อเสียงเป็น Co. บริษัทดังๆเราก็ไม่ได้อิจฉาเขาเลยไม่รู้สึกต้อยเลยนะไม่ว่าเราเป็นข้าราชการนะเราก็สามารถจะมีความสุขได้แม้ชีวิตไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะแม้พออยู่พอกินนะก็มีความสุขได้ แต่คนสมัยนี้พออยู่พอกินนะี่ไม่มีความสุขหรอกรู้สึกด้อยนะเพราะยังรู้สึกว่ายังมีความสุขไม่พอเพราะความสุขเขาเนี่ยมันไปผูกติดอยู่กับวัตถุมีมากก็เข้าใจว่าสุขมากนะโดยที่ไม่คิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีมากก็อาจจะทุกมากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องเหนื่อยกับการรักษานะต้องเหนื่อยการดูแลแล้วก็รู้สึกว่าไม่พออยู่เสมอมันจะรู้สึกพร่อง อยากจะมีให้มากแล้วก็มากแล้วก็มากคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากจะรวยนะแต่ต้องการรวยกว่าคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากรวยแต่ต้องการรวยกว่าด้วยคือรวยร้อยล้านนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะมันรวยพันล้านเนี่ยไม่มีความสุขนะนัคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากจะรวยแต่ต้องการรวยกว่าความต้องการรวยกว่ามันทำให้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดสักที แต่ถ้าเราพบความสุขทางใจนะด้วยอาอนิสงส์ของสมาธิภาวนาหรือการเจริญสติเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นีอย่างเป็นสุขแม้ว่าจะไม่ได้ร่ํารวยอะไ ร, นาาระนเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยหรือพระริยเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่พระที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะท่านก็มีอัธรบริขาไม่กี่ผื้นอ่ะไม่กี่อย่าง แต่ทำไมถึงมีความสุขได้มีความสุขโยมนะซึ่งมีมากมายนะเพราะว่าท่านมีความสุขทางใจเข้าถึงความสุขทางใจแล้วนะมันก็พึ่งพาวัตถุน้อยลงนะมีอัฐมีแค่บริขารแปะก็มีความสุขได้นะแล้วสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินมากมายนะร้อยล้านพันล้านสิ่ง น, ะนี่สติมันยังช่วยทําให้เราเนี่ยนะไม่ประพฤติผิดในทางอื่นได้ด้วยนะ พราบางทีเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยทุจริตส่วนนึงก็เพราะว่าอยากจะกันแกล้งนะอยากจะกันแกล้งเพราะมันมีความโกรธนะอยากจะแก้แค้นแต่ถ้าเรามีสตินะความโกรธความพยาบาทมันก็ครอบงำไม่ได้ไอความคิดที่จะไปกันแกล้งใครโดยใช้อํานาจที่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นหลักประกันนะว่าเราจะ ใช้หน้าที่ไปในทางที่เที่ยงธรรมสุจริตไม่ไปไม่ไปการแกล้งใครบางคนเนี่ยทุจริตเพราะกลัวนะไม่ใช่เพราะโกรวไม่ใช่เพราะโลภอย่างเดียวกลัวนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยพูดสองวันก่อนนะว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าทำชั่วกลัวทาดีนะกลัวกล้าทำชั่วเพราะอะไรเพราะว่ า, เ, าเพื่อนเพื่อนชวนนะเวลาจะทำดีก็กลัวนะ กลัวว่าจะเป็นแกะดำนะถ้าหากว่าไม่รับสินบนนะเคยๆเขารับสินบนกันทั้งนั้นนะเราไม่รับสินบนเราเป็นแกะดําที่จริงมันเป็นแกะขาวนะกลัวที่จะเป็นแกะขาวนะก็เลยต้องต้องยอมนะยอมคอร์รัปชันนะยอมอเรียกสินบนนะต้องยอมทุจริตแต่ถ้าเรานะมีความกล้านะมีความกล้าเนี่ยการที่จะ ยอมทำชั่วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยลงนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะการที่คนเราจะสดจริตได้เนี่ยนะนอกจากคิดิอตตา ป, ปะนะนอกจากสตินอกจากความสุขนะมันต้องมีความกล้านะนะกล้าทําดีนะเรากล้าปฏิเสธนะคนที่จะมาชักชวนให้ทําชั่วแม้ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นพี่น้องนะอย่างเช่นใครจะมาชวนกินเหล้าเราก็กล้าปฏิเสธ นะเพราะเรารู้ว่าการกินเล่าไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนให ญ, ญ่ไม่กล้าปฏิเสธนะนะกลัวกลัวกลัวที่จะมีศีลนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาดูถูกเหยียดยามเดี๋ยวเขาจะไม่คบเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมรับไอการที่เรากลัวการไม่ได้การถูกปฏิเสธการไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยนะมันก็เป็นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าภายในนะคนเราถ้ามีความสุขภายในเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเอง ใครเขาไม่ยอมรับเราเพื่อนไม่ยอมรับเพราะเราไม่กินเหล้าเพราะเราไม่โกงเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็มีความสุขนะเพราะว่าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนนะยอวเป็นมิตรกับตัวเองคนเดียวนี้ไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะหาหามิตรในตัวไม่เจอก็ gracious, เลยต้องไปหามิตรจากคนรอบข้างคนรอบข้างชวนให้ไปกินเหล้าชวนให้ไปค้ายาชวนให้คอรัปชั่นก็ไปต้องยอมไม่ได้อยากทำนะหลายคนไม่ได้อยากทําแต่มันกลัว กลัวเขาจะไม่คบนะกลัวเขาจะปฏิเสธนะีความกล้ามันหายไปไหนนะก็เพราะว่านะไม่รู้จักเคารพตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่ไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะคุณค่าเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอย่างถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีความกล้ากล้าที่จะทำดีกล้าที่จะปฏิเสธความชั่วนะกล้าที่จะปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนๆ เ, เขาจะาเขาจะชักชวนเขาจะคมคูก็ตามนะที่จริงความกล้าเนี่เป็นส่วนหนึ่งของนักปฏิบัติตคนที่เขาจับเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของ้านตัวจริงนะเป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆนะแต่ที่เขายอมมายอมมาเป็นจำเลยได้เพราะว่านะเจ้าของ้านตัวจริงเนี่ยเข า, าให้คามันสัญญาว่าเดี๋ยวจะช่วยให้หลุดนะเพราะ สมัยนี้เนี่ยการใช้เงินเป่าคดีมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าของร้านตัวจริงก็ไม่มาช่วยนะไอ้ส่วนที่คนที่เป็นแพ้ก็เลยติดคุกไปติดคุกไปติดคุกก็เสียใจนะเสียใจก็เลยฆ่าตัวตายนะผูกคอตายในคุกตำรวจเนี่ยนะที่จับที่ทาคดีเนี่ยก็เสียใจนะ คือเสียใจยว่าตัวเองเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านแต่ก็จับเขานะเพราะคิดว่านะจะได้ผลงานงมีผลงานไปเสนอเจ้านายเจ้านายสั่งให้จับก็จับถึงรู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงนะแต่ก็ทำนะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเป็นที่ยอมรับเพื่อเจ้านายนี่จะไม่ลงโทษแต่พอรู้ว่าเนี่ยไอคนที่ตัวเองจับนี่เขาผูกคอตายเนี่นเสียใจายมากเลยนะ เสียใจจนทั้งเลิกเป็นตำรวจเลยอันนี้ก็เรียกว่ า, อาไอความผิดที่มันที่ทำเนี่ยความทุจริตที่ก่อเนี่ยมันก็มันหลอกหลอนจิตใจอันนี้เรียกว่าอัตตานุวาทัพนะซึ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีน้อยลงไปทุกทีแต่ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยทำชั่วทำทุจริตเนี่ย ยังไงยังไงเนี่ยมันต้องมีไอ้อความรู้สึกที่มาหลอกหลอนนะถ้าไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้าถ้าไม่ใช่วันหน้าคือวันที่กําลังจะตายนะพอจะตายเนี่ยไอ้ความชั่วที่ทําทุตจริตที่ก่อนเนี่ยมันจะมาหลอกหลอนทําให้พอหวาทําให้ตายไม่สงบนะไม่คุ้มเลยนะนะผลประโยชน์ที่ได้จากการทําทุจริตเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าสุดท้ายหาความสุขไม่ได้ความรู้สึกผิดมันหลอกหลอนทิ่มแทงใจ นะหรือว่าอาจจะทำให้ถึงกับตายไม่สงบเพราะนะั้นเรื่องการสุดไม่มีวิธีอะไรนะที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นอกจากการที่เราบำเพ็ญสุดจริตธรรมน ะ, ะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Hon ภาษาฝรั่งนี่มันมีมันมีคำพูดของนักธุรกิจนะซึ่งหลายคนก็ยึดถือเป็นหลักนะเขาใช้ว่า Honesty is the best policy นะ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนะเป็นนโยบายทําธุรกิจในที่ดีที่สุดจริงๆมันไม่ใช่แค่ น, นโยบายทางธุรกิจที่ดีดที่สุดเท่านั้นนะ <c oughs> มันเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดสําหรับกันมีชีวิตอย่างผาสุกแล้วก็ถ้ามีพบหน้าก็ได้ไปสุขติแล้วก็พอสมควรกับเวลาแล้วก็ก็ ย, ยุตินะการแสงธรรมกถาแต่เพียงเท่านี้นะ